พระของเราทุกๆองค์นะจวนจะออกพรรษาอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วให้ทั้งอกตั้งใจให้ตลอดลอดฟังถึงจะบวชเป็นพระนวกะก็ให้นวกะที่สมบูรณ์ให้ตางอกตั้งใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าพระเก่าจะพาทะเลทไลยไม่ได้นะชวนพูดชวนคุยคุยเรื่องสเพเเหระ ไม่ใช่เรื่องของพระพระเก่าต้องรักษากฎระเบียบเหมือนก้าทาหารตำรวจนั่นแหะถ้านายสิบนายจ่านายกองพาเป็นซะเองตำรวจปลายแถวจะเป็นยังไงเละตุมเปะไปหมดจ่านายกองเข้มแข็งกรมกองนั้นก็เป็นมีกฎมีระเบียบนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละวัดวา ศ, าศาสนาที่เข้ามาศึกษาก่อนเข้ามา อบรมก่อนศึกษาก่อนรู้กฎระเบียบก็ต้องรักษากฎระเบียบเพื่อรักษาไว้ให้แก่พวกรุ่นน้องๆเข้ามาก็จะได้มีกฎมีระเบียบต่อไปถาวารุนพี่เข้ามาแล้วไม่รักษากฎระเบียบอะไรก็ได้หัวลานดื่นตื้นตื้นครูเนี่ยอย่างโบราณเขาว่าอะไรก็ได้ชินชาไปหมดดื้อด้านไปหมด ดื้อด้านต่อหลักธรรมนายมัไนไ ม, ไม่ใช่นะดื้อด้านต่อหลักธรรมไม่ไนาคือดื้อด้านต่อความชั่วคือนรกนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลเพราะนั้นอย่าไปดื้อด้านต้องเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอเขามาเพราะว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำคำสอนของเราจะตกแต่งเอาได้เราต้องเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอเพราะนั้นทุกองที่บูตรทั้งนี้ทั้งนั้น ให้สมรวมให้ระวังให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยให้รักษากฎ ร, ระเบียบให้รักษาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดําเนินมาอย่างไงให้พวกเรารักษานี่แหละพอเรามาอยู่ข้างในเรายึดนักบวชนักบวชอาชีพคือนักบวชตลอดไปไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาไม่ใช่ว่า เหมือนกับประเทศจีนที่หลวงพ่อได้ศึกษาได้ฟังดูพอบวชแล้วไม่ให้ศึกพอบวชเขามีกฎระเบียบไม่ให้ศึกบวชเข้ามาแล้วถ้าศึกแปลว่าเป็นคนเลวในสังคมชุมชนชุมชนยอมรับไม่ได้บวชแล้วศึกแปลว่าจิตใจแปรปวนเปลี่ยนแปลงได้ง่ายครบไม่ได้ลักษณะอย่างนั้นอะ่ะอันนี้ก็คือเขาถือเป็นประเพณี ตอนี้พอใครไม่ได้สึกทีนี่ยบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้สึกสึกไม่ได้เพราะสังคมเขาไม่ยอมรับตัวเองก็เลยบวชเข้ามาแล้วก็เลยมันหมดศรัทธาที่หมดความเชื่อหมดศรัทธาในพระพุทธศาสนาะจะสึกออกไปก็ศึกไม่ได้ก็เลยทําตนเป็นไม้ขวางคลองไปจรวดเข้กขวางคลองไปทีเนี่ย เพราะเหตุไรเพราะว่าตัวเองก็ไม่เชื่อไม่มีศรัทธาอีกต่างหากผละนิสูุก็เลยทำให้สัตว์ทั้งที่ศาสนาจเจริญงอกงามก็ลยศาสนาก็เลยตัวปัตตุเปทุลักทุเลเพราะว่าคนที่เข้ามาอยู่แล้วไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่สิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราเข้ามาศึกษานมนานต้องเป็นตัวอย่าง พูดเป็นตัวอย่างทําเป็นตัวอย่างคิดเป็นตัวอย่างการคิดก็ต้องเป็นตัวอย่างทําก็ต้องเป็นตัวอย่างพูดก็ต้องเป็นตัวอย่างไม่ใช่ว่าล้มปากแล้วก็พูดไปเรื่อยจนหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้พูดที่เขามาศึกษาใหม่เออทาไมพระเก่าถึงกล้าพูดถึงขนาดนี้ฮะทั้งที่ตัวเองไม่มีกฎไม่มีระเบียบเพราะไม่มีศรัทธาในจิตใจถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องตรวจตรา ดูพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะและอีกอย่างหนึ่งผมขอเคยเตือนมาหลายครั้งก่อนออกพรรษาในเดือนสุดท้ายเนี่ยโดยมากมันจะเป๋ไปเป๋มาแต่ถึงยังไงก็เถอะถ้าพระเก่าเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้แนะนำส่องสอนอยู่แล้วเป็นหลักอยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหาแต่พระเก่ามาพาเป็นเองหมดท่า น, นะโรงน้ำร้อนก็เหมือนกันเราเปิดเวลาเท่าไหร่ รักษาโรงน้ารอนะ้อนน่ยดูนะโรงน้ร้อนเปิดเวลาเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าอดอาหารแล้วก็นมแดงนมแดงมมาถจงทานตั้งแต่แปดเก้าโมงสิบโมงไม่ได้นะเพราะเหตุไรเพราะว่าเรารักษากฎระเบียบถ้าเราหิวเราจะอดทําไมก็ที่ฉันก็มีแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามไม่ห่วงกันเราจะฝึกหัดอรตี้ใสเราจะเราจะดูความหิวเราจึงอด เขากลัวหิวจะไปอดทําไมแล้วก็มาฉันก็ไม่เห็นใครห้ามนะดึกตัวเองนอนตื่นสายอย่างนั้นใช่ไหมขี้เกียจมาแล้วก็ทําท่าอดอาหารไปอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นแปลว่าใช้ไม่ได้เข้ามาไม่ใช่ฝึกหัดดัดทิศสายแต่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องพวกเราต้องคิดนะต้องสาทุกช่วยกันรักษาก ฎ, กฎระเบียบไม่ว่าพระเก่าพระใหม่อันนี้ก็คือ ต้องเราช่วยกัน ร, รักษาทำระเบียบทำเรียมประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่กฎของผมอนนช่วยๆกันแล้วก็การเดินมาฉันน้ําก็ดีเดินบินทบาตก็ดีวัดไกลๆที่พักของเราไกลๆผมว่าเป็นทางเดินจงกลมอย่างดีอย่าไปเดินคุยกันะเวลาเราเดินมา เราจะขาขวาพุทซ้ายโทพุทธโถพุทโถพุทธโถเป็นการฝึกสติในตัวแหละเป็นการออกกําลังกายด้วยเราเดินลงมาแล้วเดินกลับนแล้วจะบริกรรมว่าก้าวเดินก้าวตามก้าวตามขาขวาก้าวขาซ้ายตามก้าวตามก้าวตามก้าวตามไปเลยให้มีสติในการก้าวเดินก้าวตามขาขวาก้าวขาซ้ายตาม แต่นี้มันยังมีออกแวับออกไปอยู่ให้กำหนดใ ห, ใหด้ให้เป็นโครงกระดูกเถให้เป็นโครงกระดูกไม่ให้มีเนื้อหนังอะไรติดเลยจะเนียมันเป็นโครงกระดูกทั้งนั้นยกขาขวาไปก้าวขาซ้ายไปก็ตามก้าวตามก้าวตามไปเป็นโครงกระดูกไปนี่แหละ ว, วิธีการภาวนาเป็นการฝึกสติจนไม่ให้มันหลงไม่ให้มันลืมไม่ให้มันผิดพลาดเนะ ต่อไปหลายครั้งต่อหลายหนเมื่อเรามานั่งภาวนาเรานั่งภาวนาจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะว่าเราไม่ปรุงฟุ้งไปทางอื่นในเมื่อจิตใจสงบเป็นพื้นฐานเราจะพิจารณาอะไรในร่างกายของเราพิจารณาโครงกระดูกหรือ พ, พิจารณามรณะนุสติพิจารณาถึงความตายพิจารณาถึงอสุปฏติกูลอะไรได้ทงนั้นทีนี้พรมันจิตสงบเป็นพื้นฐานแล้ว แต่ทิ้งยังไงให้พวกเราต้องอดทนนะการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเราเลยแหละลูกๆลุดเล็กๆไปเอาอันนั้นมาแก่ลาคาญเอาอันนี้มาแก่ลาคาญพอนั่งไปหน่อยหนึ่งแล้วเอาจับปากกามาเขียนกระดาษเพื่อแก่ากําคาญเดี๋ยวก็หยิบตัว น, นั้นมาพอแก่ลาคาญมันแก้ไม่จบทักทีนะแก่ลาคาญตัว น, นี้เพราะอนั้นอย่าไปยึดถืออย่างนั้นมาแก่ลาคาญตัวเองให้ดูใจ ใจมันคันมันลำคาญอยู่ในใจให้ดูตัวลำคาญในใจนะ่ต้องแก้ที่จุดนั้นแก้ที่ใจ น, ะนี่แหละจากนั้นเราพิจารณาถึงมรณะนุสติก็ดีอสุภะก็ดีความตายก็ดีบางท่านเผมพิจารณาความตายมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นหละมันทำไมไม่ไม่ลึกซึ้งไม่ลึกซึ้งก็เพราะว่าตัวเองคิดธรรมดาเห็นแต่คนอื่นตาย คนอื่นตายนะมันก็คิดอย่างงั้นแหละแต่คิดว่าตัวเองจะตายเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันคนละเรื่องกันนี่แหละคาว่าสัญญากับปัญญาเนะี่ยมันลักษณะอย่างนั้นสัญญาก็คือ ค, อความคิดว่าคนอื่นเป็นเท่านั้นเองคิดว่าตัวเองจะไม่เป็นแต่ว่าอีกสักวันหนึ่งนะ่ะหมอว่าเป็นมะเร็งนล้นะชีวิตของเราจะไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะจะอยู่ไม่ได้นานนะักความรู้สึกจุดนั้นนะ่ะเป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งมาก ความรู้สึกที่ถึงใจมากไงนี่แหละแล้ให้ออกความรู้สึกที่ถึงใจมากทนั้นะมาพิจารณาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราเนอะถ้ามันเป็นตัวของเราจริงๆเราก็บอกว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าเป็นนะอย่าป่วยนะเราบอกได้ไหมเราบอกไม่ได้เพราะบอกไม่ได้เพราะร่างกายนะันไม่ใช่ตัวของเรามันบอกไม่ได้ใจของเราบอกร่างกายใจของเราคือตัวนามธรรมคือตัวผู้รู้ๆอย่างนี้น นี่แหละคือใจหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสนใจเรื่องตัวปรู้รู้นะนี่ยให้พวกเราศึกษาโครงสร้างของพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้พูดโครงสร้างใหญ่ตั้งแต่ปลูกพระพุทธศาสนาพูดตั้งแต่นุ่นตั้งแต่พระพุทธเจ้าก่อนอุบัติขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าเสด็จมาจากที่ไหนมาจากสันดุสิตลงมาปฏิสนณฑ์ กุงกับบินละพัดมาประูตดแล้วก็มาพระมีดาของพระองค์ชื่อว่าอะไรพระมารดาชื่อว่าไงพระประุรยญาตทั้งหลายชื่อยังไงมีวงสาขนาดญาติอันนั้นก็คือประวัติจากนั้นก็ออกบวชพอออกบวชทุมาแล้วก็จะนีไปพบกับใครเทศนาให้แก่ใครมีบริษัทบริวาร1นึ่งสสี่จะนี้ไล่ไปเรื่อย สรปแล้วก็คือเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงคือพสูตทั้งหลายเนะี่ยเป็นเครื่องโน้มน้าวจิตใจอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ได้ศึกษาให้ได้ความรู้ให้ปลูกศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรจากนั้นเราก็ถอนสอนเข้ามาถึงในการสอนเท่ทนพอปลูกศรัทธาคนเคารพรับถือเริ่มใสมากๆ เขาเคาะะ ร, รพาอ น, อาราารนับถือเรื่มไสเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าสอนยังไงเขาจึงเคารพนับถือเรื่มไสจากนั้นก็พูดมาถึงที่ควรเคารพนับถือเลื่มใสเลยท่านพุทองค์สอนอะไรสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาจากนั้นก็สอนเข้าไปสู่ไตรลักษณ์อนิจังทุกขังอนัตตาอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมักสอนเข้าไปรวมยอดเข้าไปเรื่อยๆสรุปแล้วก็คือ มาถึงใจเท่านั้นเองเท่นั้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงนะแต่ว่าฐานนั้นมันใหญ่พุทธศาสนาในต้องการอะไรต้องการแก่นต้องการแก่นไม้หรือต้องการผ ล, ลไม้เอาต้องการแก่นก็นแล้วกันต้องการแก่นไม้ก็ต้องปลูกวิธีพวนดินวิธีอะไรที่จะปลูกให้เป็นแก่นไม้เนี่ยจะทำยังไงต้องการแก่นไม้สักมาทาบ้านทาเรือนมาปลูกบ้าน วิธีการปลูกไม้ศักดิ์ทยังไงแล้วก็ปลูกมีศรัทธาแล้วก็น้มน้าคนปลูกไม้ศักนะพอปลูกเสร็จแล้วนี่นนะหาอันไหนคือจุดที่เราทำงานมาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เรานับถือพระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติธรรมนะจุดไหนเป็นจุดสำคัญนะพอย่นย่อเข้ามาพอรวบยอดเข้ามานะ่คือเรื่องของใจเท่านั้นนะใจของเราเนะี่คือหนูตัวนึกคิดนะมันหลง มันหลงอะไรมันมัวเมาอะไรมันให้ความสาคัญอะไรมันติดปันค้องกับอะไรจากนั้นก่อนเนี่ถอนพิจารณาให้รู้แจ้งให้รู้จริงในจิตในใจจากนั้นก็ปล่อยวางที่ใจนี่แหละมรรคผลนิพพานโครงสร้างของพุทธศาสนาใหญ่คือโน้มน้าวให้คนนับถือเตือมใสเกิดศรัทธาแต่ที่จะเอาจริงๆ น, ะนั่นคะือเนี่แหละ เข้ามาถนนูกจุดใจเท่านั้นแหะท่นนี้ที่จะตัดกิเลสจุดประสงค์จุดพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้ากำลังขอให้พวกเราทุกท่านนะคณะสัตยาธิโยมหมู่พวกเพื่อนทุกองค์ทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติโลกทั้งโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้แหละถึงจะสนุกสนานเพิดเพลินเฮฮายังไงทหารพยามัจุราชเงืองานดาบตามหลังของเราอยู่ตลอดเว ล, เวลาถึงเราจุดหัวเราะกุงหัวเราะแบบอยู่ใต้คมดาบของเขา ถึงจะกินอาหารอิ่มมีพีมันขนาดไหนก็อยู่ในใต้คมดาบของทหารพญามัจจุราชอยู่ไม่คาดสายตาของเขาเลยถึงเราจะหัวเราะยังไงรอง้องไห้ยังไงร้องรำทําเพลงยังไงก็อยู่ ใ, ใต้คมดาบของพญามัจจุราชเพราะนั้นพวกเราอย่าไปหลงอย่าไปลืมตัวจะไงจะพ้นทุกข์ในวัฏะสงสารตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่าน บอกกล่าวแนะนำสั่งสอนพวกเรานะตอนนี้ไปรับพรหน่อยสุบชายร้องแข่งลุงพ่อแล้วไ